หกุติการะศิขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาธิเศษเพราะการสร้างกุฏิด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ขอมาเองเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินเมืองอารวีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุชาวเมืองอารวีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวเมืองอารวีสร้างกุดีด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ขอมาเองในกุติการสิขาบทนี้มีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐานละ